ผลงานกล่าวได้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นพระมหาเทระผู้คงแก่เรียนพระองค์หนึ่งในยุคปัจจุบันทรงรอบรู้แตกฉานในพระพุทธศาสนาทั้งในด้านทฤษฎีหรือปริยัติทั้งในด้านปฏิบัติในด้านปริยัตินั้นทรงสำเร็จภูมิป ร, รียนธรรม9้า9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ส่วนในด้านปฏิบัตินั้นเจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงเป็นพระนักปฏิบัติหรือที่นิยมเรียกกันเป็นสามัญทั่วไปว่าพระกรรมฐานพระองค์หนึ่งดังเป็นที่รู้กันทั่วไปในหมู่พระนักปฏิบัติและสาธุชนผู้ใฝ่ใจในด้านนี้ฉะนั้นผลงานทางพระพุทธศาสนาของพระองค์จึงนับได้ว่ามีความสมบูรณ์พร้อม เป็นองค์ความรู้ที่มีความชัดเจนทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเพราะเป็นองค์ความรู้ที่ถูกกรั่นกรองออกมาจากความรู้ความเข้าใจที่มีทฤษฎีเป็นฐานและมีการปฏิบัติ ด, ด้วยพระองค์เองเป็นเครื่องตรวจสอบเทียบเคียงเป็นผลให้องค์ความรู้ที่พระองค์แสดงออกมาทั้งในผลงานที่เป็นบทพระนิพนธ์ทั้งในผลงานที่เป็นการเทศนาสั่งสอนในเรื่องและในโอกาสต่าง มีความลึกซึ้งชัดเจนและเข้าใจง่ายผลงานของพระองค์ที่สมควรนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นแบบอย่างแห่งการสร้างองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติแบ่งได้เป็นสองส่วนคือด้านวิชาการและด้านการสั่งสอนเผยแผ่ ผลงานด้านวิชาการเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นผู้ใครการศึกษาฉะนั้นนอกจากจะทรงศึกษาพระปริยัติธรรมคือศึกษาภาษาบาลีตามประเพณนิยมทางพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ยังสนพระไทยศึกษาภาษาต่างๆอีกมากสุดแต่จะมีโอกาสให้ทรงศึกษาได้เช่นทรงศึกษาภาษาสันสกฤต ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาจีนแต่ส่วนใหญ่โอกาสไม่อำนวยให้ทรงศึกษาได้อย่างต่อเนื่องการศึกษาภาษาต่างๆของพระองค์จึงต้องเลิกราไปในที่สุดคงมีแต่ภาษาอังกฤษที่ทรงศึกษาต่อเนื่องมาจนทรงสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการพูดการอ่านและการเขียนและจากความรู้ภาษาอังกฤษนี่เอง ที่เป็นหน้าต่างให้พระองค์ทรงมองเห็นโลกทางวิชาการได้กว้างขวางยิ่งขึ้นไม่จำกัดอยู่เฉพาะโลกทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นบทพระนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาของพระองค์นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ทางปริยัติและความลึกซึ้งทางปฏิบัติแล้วบางครั้งพระองค์ก็ยังทรงนำเอาความรู้สมัยใหม่ด้านต่า ง, างมาประยุกต์ในการอธิบายพระพุทธศาสนาให้คนร่วมสมัย เข้าใจความหมายและประเด็นความคิดทางพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเริ่มสร้างผลงานทางวิชาการมาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระปเรียนโดยการทรงนิพนธ์เรื่องทางพระพุทธศาสนาในลักษณะต่างๆลงพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารธรรมจักสุซึ่งเป็นนิตยสารเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปรมทบ้างตีพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่างๆบ้างและได้ทรงสร้างผลงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันฉะนั้นผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของพระองค์จึงมีเป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่า150เรื่องพระนิพนธ์เรื่องสำคัญที่ควรกล่าวถึงในที่นี้มีดังนี้ หหลักพระพุทธศาสนาพระนิพนธ์เรื่องนี้ทรงนิพนเมื่อพุทธศักราช2502ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวราพรในชั้นต้นทรงนิพน์เป็นการเทศสำหรับเทศสอนนักเรียนนักศึกษาต่อมาทรงปรับปรุงเป็นความเรียงเพื่อสะดวกแก่การอ่านศึกษาของผู้สนใจทั่วไป พระนิพนธ์เรื่องนี้แม้ว่าชั้นต้นจะทรงมุ่งสำหรับสอนหรืออธิบายพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนนักศึกษาแต่เนื้อหาเป็นเรื่องที่สามารถใช้เป็นคู่มือศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับคนทั่วไปได้ทุกระดับพระนิพนธ์เรื่องนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถึงชั้นสูงสุดประกอบด้วยหลักธรรมคาสอนที่สาคัญสาคัญที่คนทั่วไปควรรู้ และพอเพียงแก่การที่จะทำให้รู้จักพระพุทธศาสนาและพอเพียงแก่การที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนอกจากความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาทั่วๆไปที่ควรรู้ด้วยลักษณะเด่นของพระนิพนธ์เรื่องนี้คือทรงใช้ภาษาง่ายงาย่สละสลวยทรงยกตัวอย่างที่ใกล้ตัว หรือที่เป็นเรื่องในประสบการณ์ของคนทั่วไปมาประกอบการอธิบายและบางเรื่องก็ทรงนำเอาทฤษฎีหรือความรู้สมัยใหม่มาเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 2. 45พันษาของพระพุทธเจ้า พระนิพนธ์เรื่องนี้ทรงเริ่มนิพนธ์เมื่อพุทธศักราช 2,504 ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภนพระนิพนธ์เรื่องนี้มุ่งแสดงคำสอนของพระพุทธศาสนาไปตามลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติเป็นทำนองเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพระประวัติของพระพุทธเจ้าไปตามลำดับปี นับแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเริ่มประกาศสั่งสอนพระพุทธศาสนาไปจนถึงปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากเรื่องราวในพุทธประวัตินั้นตามที่ปรากฏในคำภีของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคำภีพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวไว้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบทั้งไม่ได้ลำดับการเวลาของเหตุการณ์ต่างๆไว้อย่างชัดเจนฉนั้นจึงเป็นการยาก ที่จะเล่าเรื่องพุทธประวัติตั้งแต่ต้นจนไปตามลำดับการได้อย่างถูกต้องด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วในพระนิพนธ์เรื่องนี้พระองค์จึงทรงมุ่งแสดงคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อความรู้เข้าใจในธรรมะเป็นหลักโดยมีเรื่องราวทางพุทธประวัติเท่าที่ปรากฏหลักฐานหรือตามที่ทรงสันนิษฐานไดจากคำภีนั้นๆมาเป็นส่วนประกอบเพื่อช่วยให้เข้าใจความเป็นมา และความหมายของพระธรรมคำสอนเรื่องนั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นมิได้ส่งมุ่งแสดงรายละเอียดทางพุทธประวัติโดยตรงแต่ถึงกระนั้นพระนิพนธ์เรื่องนี้ก็นับได้ว่าเป็นการเรียบเรียงพุทธประวัติแนวใหม่อีกแบบหนึ่งที่ไม่ซ้ำแบบใครลักษณะเด่นของพระนิพนธ์เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง ทั้งในแง่พุทธประวัติและในแง่พระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเพราะได้ส่งประมวลเอาความรู้และเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งจากคมภีพระไตรปิฎกอัฏฐกถาและประการวิเศษต่างๆรวมทั้งจากตำราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆมารวมไว้อย่างพิสดารตลอดถึงเรื่องราวจากคมภีฝ่ายมหายานที่น่าสังเกตศึกษา ก็ได้ส่งประมวลมาไว้เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบด้วยพระนิพนธ์เรื่องนี้จึงให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในหลายด้าน 3. โซรสปัญหา พระนิพนธ์เรื่องนี้ในชั้นต้นทรงเตรียมสำหรับเป็นคำสอนพระใหม่และได้ทรงบรรยายเป็นธรรมศึกษาแก่พระใหม่หรือพระนวกกะในพันศการพุทธศักราช2524ตั้งแต่ต้นจนจบบริบูรณ์โซโรสปัญหาคือปัญหา16ข้อพร้อมทั้งคำพยากร์คือคำกล่าวแก้นั้นเป็นธรรมะชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความละเอียดลึกซึ้งทั้งในด้านอัตถะคือความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือถ้อยคําสัมนวนผู้ที่ใกล้รู้พระพุทธศาสนาควรจักได้ศึกษาและพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบและเมื่อได้พิจารณาไตร่ตรองจนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็จะทําให้เห็นความละเอียดลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อันสองแสดงให้เห็นถึงความสุ ข, ขุมลุ่มลึกแห่งพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าการศึกษาเรื่องนี้นอกจากจะช่วยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วยังช่วยเสริมศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาและในพระรัตนตรัยให้มั่นคงและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอันจะยังผลให้เกิดการน้อมนําธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติธปฏิบัติ ตามความสามารถของตนต่อไปเรื่องโสรถปัญหานี้เป็นการแสดงหรืออธิบายธรรมะที่ปรากฏอยู่ในปัญหาต่า ง, างๆเหล่านั้นไปตามอัฏถะและพยัญชนะแห่งบทธรรมะประกอบกับคำอธิบายในคำภีอัฏฐกถาและความสันนิฐานส่วนพระองค์ทั้งนี้ก็โดยที่พระองค์ทรงเห็นว่าธรรมะบัญญายหรือการอธิบายธรรมะนั้น เป็นเพียงเครื่องมือประกอบการศึกษาธรรมะเพื่อที่ผู้ศึกษาจะได้อาศัยเป็นแนวในการพิจารณาไตรตรองธรรมะจะกระทั่งเกิดความเห็นแจ้งประจักษ์ธรรมนั้นนั้นแก่ใจตนด้วยตนเองเพราะผู้ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นควรจะได้พิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาอันชอบให้เห็นจริงแก่ใจตนไม่ควรเอาแต่เชื่อง่ายดายไปตามที่ได้ยินได้ฟัง ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกาลามาสูตรเป็นตัวอย่างเพราะเพียงแต่เชื่อไม่พิจารณานั้นอาจจะไม่ได้ความรู้ธรรมะทั้งไม่ทำให้ได้ทราบซึ้งในรสแห่งธรรมะด้วยลักษณะเด่นของพระนิพนธ์เรื่องนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงแนวการวิเคราะห์หรือวิจารณธรรมะขององค์ผู้นิพน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์หรือวิจารณธรรมะชั้นสูงนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายผู้ที่จะสามารถวิเคราะห์หรือวิจารณธรรมะดังกล่าวได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนั้นจำต้องใช้ทั้งความรู้ในทางปริยัตและประสบการณ์ในทางปฏิบัติประกอบกันจึงจะเกิดการสังเคราะห์เป็นความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นได้ตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามความหมายของข้อธรรมนั้นๆ 4. ลักษณะพระพุทธศาสนาพระนิพนธ์เรื่องนี้ทรงเตรียมขึ้นสำหรับเป็นคําสอนพระใหม่และได้ทรงบรรยายสอนพระใหม่ในพันสก า, ารพุทธศักราช2526ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระนิพนธ์เรื่องนี้ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงลักษณะของพระพุทธศาสนา ในด้านต่างๆคือในด้านความหมายในด้านการสอนในด้านคำสอนในด้านการปฏิบัติและในด้านเป้าหมายของการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเนื้อหาของพระนิพนธ์เรื่องนี้จึงเป็นการมองหรือเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างรอบด้านเพราะฉะนั้นพระนิพนธ์เรื่องนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษามองเห็นภาพของพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้ผู้ศึกษากล่าวถึงพระพุทธศาสนาได้ตรงประเด็นลักษณะเด่นของพระนิพนธ์เรื่องนี้ก็คือทรงอธิบายไว้ตอนต้นของเรื่องนี้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงหรือทรงอธิบายไว้ในพระนิพนธ์เรื่องนี้เป็นผลจากการศึกษาปฏิบัติเพ่งพิจารณาของพระองค์เองฉะนั้นพระนิพนธ์เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจของพระองค์ ในเรื่องพระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่ง 5. สัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถรา พระนิพนธ์เรื่องนี้ทรงเตรียมขึ้นสำหรับเป็นคำสอนพระใหม่และทรงบรรยายสอนพระใหม่ในพันสัการพุทธศักราช2527ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชปารภถึงพระนิพนธ์เรื่องนี้ว่าพระธรรมเทศนาชุดนี้นอกจากแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นสำคัญของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังแสดงให้ประจักษ์ถึงปรีชาญาณอันกว้างขวางล้ำลึกของพระสารีบุตรเทระในการอธิบายธรรมะนี้อีกประการหนึ่งและประการที่สมสมเด็จพระยาณสังวรสุวัฒนมหาเทระได้นำพระเทระอธิบายแห่งพระอัครสาวกองนั้นมาอธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่วความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้ง ด้วยพระราชปารบดังกล่าวแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์ขึ้นสําหรับพระราชทานในงานฉลองพระชนมายุหรอบของเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อพุทธศักราช2528เป็นครั้งแรกต่อมาทรงมีพระราชปารบว่าเรื่องสัมมาทิฏฐิที่จัดพิมพ์ขึ้นในครั้งนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายแห่งจึงได้ทรงพระราชอุตสาหะ ตรวจทานต้นฉบับใหม่ด้วยพระองค์เองตลอดทั้งเรื่องแล้วพระราชทานมายังเจ้าพระคุณสมเด็จเพื่อจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพระราชปารภดังกล่าวแล้วยอมแสดงให้เห็นว่าพระนิพนธ์เรื่องสัมมาทิฏฐินี้มีความสำคัญและมีคุณค่าควรแก่การศึกษาเพียงไรลักษณะเด่นของพระนิพนธ์เรื่องนี้ก็คือ เจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงนำธรรมอธิบายของพระสารีบุตรเทระซึ่งล้วนเป็นคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนามาอธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้ง 6. ทศบารมีทศพิตราชธรรมพระนิพนธ์เรื่องนี้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงเตรียมขึ้นสำหรับเป็นคำสอนพระใหม่เช่นกันและได้ทรงบรรยายสอนพระใหม่ในพันสักการพุทธศักราช2530ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรเนื้อหาของพระนิพนธ์เรื่องนี้ คือการอธิบายความหมายของธรรมะสำคัญในพระพุทธศาสนาสองหมวดคือคำสอนเรื่องทศบารมีและคำสอนเรื่องทศพิตราชธรรมโดยเจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงวิเคราะห์ให้เห็นว่าธรรมะสองหมวดนี้แม้จะดูว่าต่างกันแต่ความจริงมีความเกี่ยวโยงกันกล่าวคือทศบารมีนั้นเป็นหลักปฏิบัติเพื่อผลสูงสุดในทางพุทธจัก คือการบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างสันติสุขให้แก่มวลมนุษยชาติส่วนทศพิตราชธรรมนั้นเป็นหลักปฏิบัติเพื่อผลสูงสุดในทางอนณาจักรคือการบรรลุถึงความเป็นพระธรรมจักรพัฒหรือพระจกักรพัฒผู้ทรงธรรมซึ่งจะเป็นผู้สร้างสันติสุขให้แก่มวลประสบนิกรของพระองค์ทั่วราชอาณาเขต กล่าวสั้นก็คือทศบารมีนั้นเป็นหลักธรรมเพื่อความเป็นประมุขหรือผู้นำทางพุทธจักรส่วนทศพิษราชธรรมนั้นเป็นหลักธรรมเพื่อความเป็นประมุขหรือผู้นำทางอนณาจักรนอกจากนี้เจ้าพระคุณสมเด็จยังทรงแสดงให้เห็นว่าธรรมะทั้งสองหมวดนี้มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันที่แตกต่างกันไปบ้างก็เพราะมุ่งผลหรือมีเป้าหมายต่างกัน ทศบารมีมุ่งผลในทางธรรมหรือความพ้นโลกส่วนทศพิษราชธรรมมุ่งผลในทางโลกหรือการอยู่ในโลกอย่างมีความสุขกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือทศบารมีเป็นบารมีทางธรรมส่วนทศพิษ ร, ราชธรรมเป็นบารมีทางโลกธรรมะทั้งสองหมวดนี้จึงเป็นบารมีธรรมด้วยกัน ลักษณะเด่นของพระนิพธนธ์เรื่องนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ตีความธรรมะสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเชิงประยุกต์และในเชิงเปรียบเทียบซึ่งทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่แตกต่างออกไปและกว้างขวางยิ่งขึ้น